เรื่องภิกษุผู้กระสันอยากศึกพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภภิกษุผู้ไม่ยินดีในพระมรร์รูปหนึ่งได้ยินว่าภิกษุรูปหนึ่งกระสันอยากศึกบิดาตายแล้วมอบทรัพย์ให้หนึ่งรยกหาปณะนะพระศาสดาทรงตรัสสอนว่าเธอจงนําก้อนกรวดมา เธอลองนับดูก็จะรู้ได้ว่ากะหาปณ ะ, ะเท่านี้จะเลี้ยงชีวิตได้หรือไม่เธอจงแบ่งห้าไว้บริโภคอีกยี่ิบห้าตั้งไว้เพื่อโคสองตัวที่เหลือเพื่อมาเล็ดพืชแอกและไถจอบพราขวานเป็นต้นเธอนับอยู่อย่างนี้กะหาปณะหนึ่งร้อยย่อมไม่พอพระศาสดาทรงตรัสต่อไปว่า ในอดีตการบัณฑิตทั้งหลายครองจั ก, กรพรรดิราชสมบัติสามารถจะยังฝนรัตนะทั้งเจ็ดประการให้ตกลงมาเพียงสเอวในที่ประมาณส2องโยชน์แม้จะครองสมบัติในเทวโลกตลอดการที่เป็นเท้าสักกะเทวราชสัก36พระองค์ก็ไม่ยังความอยากให้เต็มได้เลยในลำดับนั้นทรงตรัสพระคาถาว่า พระจันทร์และพระอาทิตย์ย่อมหมุนเวียนส่องทิศให้สว่างสวายอยู่เพียงใดสัตว์ทั้งหลายผู้อาศัยแผ่นดินทั้งหมดเทีย่ยวย่อมเป็นทาสของพระเจ้ามันทาตุราชกำหนดเพียงนั้นความอิ่มในกามทั้งหลายย่อมไม่มีเพราะฝนคือกะหาปะัะกามทั้งหลายมีรสอร่อยน้อยมีทุกข์มากบัณฑิตรู้แจ้งดังนี้แล้วท่านยอมไม่ยินดีในกามทั้งหลายแม้เป็นทีพ พระสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมยินดีในความสิ้นไปแห่งตันหาในการจบเทศนาภิกษุรูปนั้นดำรงอยู่ในโสดาปติพลเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่บริษัทที่ประชุมกันแล้วฉันนี้แหลผู้ยินดีในการเกิดย่อมยินดีในทุกข์เพราะเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข แม้เกิดในเทวดาก็ไม่ควรยินดีแม้การอันเป็นของทิพย์ก็ไม่ควรยินดีควรยินดีในความสิ้นไปแห่งตัณหาคือความไม่เกิดอีกทำอย่างไรจึงจะไม่ยินดีในการแม้ของทิพย์พึงทำความเข้าใจว่าความพลัดพรากเป็นทุกข์เทวดาขณะจะจุติจากเทวโลกเศร้าโศกเสียใจเพราะหมดบุญแล้ว ต้องลงไปสู่อบายดุดดังสุพรอมเทพบุตรการปรารถนาการเกิดในเทวโลกในเมทุนสูตรทรงตรัสว่าเป็นเมทุนสังโยคในบรรพชิตและการปรารถนาเทวโลกเท่ากับว่าได้ถูกอมนุษย์จับเอาไว้มีความปรากฏอยู่ในเทารุขขันธสูตรสูตรว่าด้วยขอนไม้ที่ลอยน้ําทางพ้นทุกขมีอยู่ พึงควรยินดีการไม่เกิดเถิด